ให้มีส่วนประกอบลหลายอย่างสร้างชีวิตล่องมอาจากตัวเองเอาอย่างพระพูดเจ้าเอาอย่างเราสาวกแต่ลลูกมีเอตตคะต่างๆกันไปเราก็เอามาสอนตัวเราในตัวเรานี้ก็มีพระสูตรสูตรปุณสูตรบาป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 ทำให้เราเป็นจเลยของปัญห า, หหามีเลตนามีความโลภโกรธหลงความทุกข์ความลอบความชังความหลงอะไรต่างๆเราก็รับใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ค่าเป็นทาตของเขามาประกาศอิจรภาพมีสติเป็นตุลาการพิาพากษาฟ้องมันลงไป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 จนมาถึงรุนครูอาจารย์ของเรามาตลอดมาตามสายเถราวาดมีอาจารย์ตั้งแต่นู้นมากาจัปปะวารีอาโดนอนุท้ะโมคคลานะสาลีโวดเป็นเถรสงเป็นเถราวาดทรงทําว้ใ น, นประกาศสร้าง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 มันก็มีกรรมเหมือนกันมีบาปมีบุญเหมือนกันนี่ผิดไม่ถูกเหมือนกันจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้รุ่นน้องผู้เทียนสอนพวกเราก็เวลานี้แหละทำวัดเช่าทุกวันทำวัดเย็นทุกวันวก็ทำตามสมัยขงพูดเจ้า ทีสามพระ อ, องค์ก็มองสวดโลกใครอยู่ในเครือข่ายผู้ที่จะบรลุทำอะไรบ้างมองหาวาสกคนนั้นวาชิกาคนนี้พระสองรูปนั้นพระสองรูปนี้เป็นสัญญาณสัญญานในใจในเครื่องรับได้ดูได้ยินได้ฟังมาบ้างเหมือนหมอ สวนโลกของเราเขาเอาความลับของเราเอาเหตุเอาข้อมูลจากเราแล้วก็ให้วินิจฉัยโลกก็หายามาใส่รักษาโรคได้ต่างน้งตาเนี่ยเป็นโรคมเร็ง ก, ก็เนื้อตัวเรือลำคอเขาวินิจฉัยไปสูวก็มาตัดแล้วก็เนื้อลำคอไปพิสูจน์ เราว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับที่4แล้ว <c oughs> แล้วก็ให้ยารักษาอื่นวายไปหมดแลยอ๋อสารัดแฝกมาหลังพ่อป่วยเป็นโรคก็เนื่าตับอ่อนไม่มียารักษาเลยตอนนี้ก็บอกไปว่าก็เนื่อตับอ่อนมันเป็นก้อนเน่าโตเลี้ยคอขยายไปสู่ตับอ่อน เออถ้าอางนั้นรักษาได้ให้เจมโมตัวใหม่เข้าไปเลยเจาพระเจ้าพิาเศษวิทยการา ร, ารักษาอื่นใดทั้งสิน้ในให้เจโมให้หลวงพ่อหายใจได้เนี่ยเขก็อาให้เยไอ้ตัวเรานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทุกมันมีเหตุทุกเป็นเป็นผลเหตุมันคือความหลงอยไปเจอทุกแค่ความหลงนั่นก่อน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 ลับผิดชอบให้ลูกต่อขายใครบ้างไปยังไง้วเราจะได้ชำนาญในความเป็นวิปัสสนาจารย์ได้แต่พบปะกับนักปฏิบัติอยู่เรื่อยๆใดๆถามมีปัญหาอะไรเราก็ได้ส้มเรื่องนั้นบางทีเราได้คำตอบจากเราเราก็ไปตอบให้เขาที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหา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 เวลาเราหลงเวลาเรารู้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราไม่มีปัญหาหลวงเทียนก็สอนเราแม่หลวงพ่อ เ, เทียนมาสอนโดยตรงตัวต่อตัวก็มาสอนเวราทําวัดเราก็เจ็บเอาฟังทําวัดทุกวันไม่ขาดแม่จะปฏิบัติเทง่งกรรมฐานเคร่งขนาดไหนก็ยังทําวัดอยู่มาฟัง หนึ่งสิ่งใดที่หลวงพ่อเดียนพูดเรายังไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจมมืก็อยากไปแช้งพยายามทําให้แช้งถึงใดที่หลวงพ่อเดียนพูดแล้วเราก็ผ่านไปซ่องดูจนเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจริงไหมใช่ได้ไหมห้าโบคาเท่าไรมาได้สิบจริงไหมทําแล้วทำเบรกมันก็ลงตัวห้าลบห้า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 วนาะเส่ปันทวนเกอมเคยกินเปิดเบื่ออะไรมามันจะฉายออกมาเหมือนภาพมันเป็นเลนชีวิตทำดีมันก็ติดปลาทำชั่วก็ติดบ้างนนั้นเนี่ยสนุกก็มี่วามช่วงมากก็สนุกสนุกละสนุกเปลี่ยนแปลงแต่ง อ, งองคดีบาลเน่ยมันหน้ามือเรางมือทันที จนออกจากปากขององค์ธีมางแต่ก่อนนี้เราถูกเมฆหมอกควบคุมเหมือนพระจันทร์อยู่ในเมฆหมอกไม่รู้อะไรวันนี้เราพ้นจากเมฆหมอกเสียแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆสว่างสวยโยจะวชิตังศิเวกุสีโตหิวิโยปปุเพปะนัดคิดว่า พอเจอโสปะมัสติโสมังโลกังปาเสติอภุมุโตวจันทิมาตนทิมาพ้นจากเมฆอุทานออกมาอุทานออกมาโอทุวันสลดสลดสงเวทตัวเองสงสารตัวเองลำตาลุ่งเคยสงสารตัวเองที่มีทุกข์เห็นทุกข์นี่โอ้ย ทำตัวซ so no right? ึ food, been, on, own, will, no ่อเลยเราไม่จับช่วยตัวเองสมัยก่อนบางทีเอางก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์พอใจนะความทุกข์ใช่ไหมพอใจพอใจความขู่ก็พอใจเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้กูไม่ยอมกูก็ยอมพอใจ ไม่ลู้จริงจรงนะมีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รูนะ้เนาะพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์เราโหรือโกรธต่อยไม่ลืมแล้วหน้าบูดตามเพิ่งเสกันเห็นกันครอะไรโกรธเอาอ้างกันเลยไม่รู้จักอายสงสารตัวเองพอมาเห็นแล้วงพ่าตตเราอยูอ่ในความทุกข์เราอยู่ในความหลงไม่รู้เลยเหมือนหนอนอยู่ในคู ไม่รู้จบคูดหรือว่าเป็นเรื่องดีนว่าันนี้ทานประกอบสักหน่อยฟังไหมเ <c oughs> ล่ลาร้อยทีแล้วจนหนุกนะเพื่อนสองคนรากกันไปไหนไปด้วยกันวันหนึ่งเขาเป็นบุญฝังเทศกันจนกันไปรปังเทศแต่เพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารให้ลูกกินต้องไปหาปลาจับปลา แต่ไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนไปหาปลาอยู่ในห้วยในหนองใจเรามบรรจุที่เสียงคล้องตีอยู่ที่วัดฮุยฮุยฟางเทศจือโอ้ยเสียใจเลยเราไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนเนาะเพื่อนเราคงจะดั้งวังเทศอืู่โน่นแล้วเราเนี่ยจําเป็นนะไม่ได้มาไปฟางเทศกับเพื่อนเลยถ้าไม่มาหาอาหารให้ลกูกกินลูกก็ไม่มีอาหาร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 คนไปจับปลาคิดถึงพระเทศแสดงธรรมฟังเทศคิดถึงเพื่อนไปจับปลาันนี้โซนเพื่อนขงกรก็ไปพบกันโอ้ยกูคิดถึงมึงเว้ยมึงจับปลาคงสนุกดีนวโอ้ยกูคิดถึงมึงเหมือนกันมึงฟังเทศคงสนุกไม่ใช่กูคิดถึงแต่บางกูจะเสียเปียบบางะได้ปลามากไหมโอ้ยได้เต็มคลองเลย โอ้ยเสียเปบพองเราน่าจะมาจับปลากันมั้งไม่น่าจะไปฟังเทศเราก็คิดอะไรไเพอจอเส้นทุกคนตายลงไปก็ยังรักกันอยู่เพื่อนที่ไปจับปลาได่เป็นเทวดาน้อยจิตที่มันคิดไปไม่ได้มีความพอใจในการจับปลาเลยเพื่อนจะไปฟังเทศเกิดไปตกนรกหมาเหงาเพื่อนที่ไป จะป่าได้ไปอยู่สวรรค์มีความโศกมาตามหาเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ไหนเนาะหากันไปเจออยู่ในหลมุมหลุมช่วงของเพาะเป็นหนอนเพื่อนเออเพื่อนมาอยู่นี่ทําไมไปอยู่ด้วยกันนอนเมืองสวรรค์นอน่ะมาอยู่นี่ทําไมนาะเนาะไปไ ป, ไปไมันต้องมาอยู่นี่แล้ว <c oughs> เพื่อนที่เป็นหนอนเนาเมืองสวรรค์มันดียังไง โอ้ยจะอยากจะกินอะไรก็เพราะแต่คิดจะกินมันมีให้กินให้อยู่เลยโอ้ยเมืองสวรรค์ต้องคิดเหลืออันนี้ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาเลยไม่ไปหรอกถ้ายังคิดอยู่อันนี้ไม่ต้องคิดนะโอ้ยอันหล่นลงไปมันคูดมันขี้ล่ะไอ้เพื่อนคนที่เป็นดอนในเมือสวนมีขี้กินไหมอย่างนั้นนี่มันก็พอใจมันกินขี้มันก็ยังพอใจ มันโกรธวะก็ยังพอใจไม่อายกันเลยหน้าบูดหน้าบึง้งเป่งเทียดกันด่ากันได้อะมันก็พอใจไม่รู้เลยให้รู้ทูกให้ตัวเองนะว่ามาเห็นทุกตัวทุกสงสอนตัวเองมากๆเลยตลอดใจมันก็มาเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็นมันพบเห็น เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันทำดีนะชั่วรูปเนี่มันทำชัว่วมันทำดีมันทำเท่วได้มันทำดีได้แต่ก่อนแล้วจะเหตุปัจจัยของมันแบบ น, นี้เราจะไม่ให้รูปทำชั่วไม่เห็นนามทำชั่วเราจะให้รูปทำดีเราจะให้นามทำดีมีสิทธิร้อยเปอเซนความทุกข์ความโศกที่เกิดจากความคิดจะไม่มีแล้ว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 พูดั้งลอยเดินเดินนั่งนอนว่าบ่ า, าทุก์ตามธรรมชาติต้องกินต้องถ่ายหันนี้ก็เป็นการเจทุกของรูปอยู่แล้วเจ็บไข้เด็กป่วยก็เป็นทุกข์ของรูปอยู่แล้วปวดหนักปวดเบาต้องไปทุกข์ของรูปอยู่แล้วเหมือนก็เป็นก้อนทุกข์อยู่ยัง้งเอาความทุกข์ที่เกิดจากอุปทาน ดิ้มัน่นถือมัน่นออกมาลักออกมาชังเป็นทุกข์เป็นความเกิดความรักความชังได้ตมุติปัญญาเข้าไปทับถมก็ปล่อยพอใจไม่พอใจทูกทุกน้ำทุกภูเขาโลกน้ำโลกโลกูกถึงก็เป็นโล ก, กอันหนึ่งต้องเก็ต้องเก็บ ต, ต้องตายโลกของโกูกไม่มีใครป้องกันได้น่าสงสาร นั่งอยู่นี้มันก็ยังหายใจเข้าหายใจออกมันแก้ทุกข์ของมันม่าสงสารสงสารสงสารแอะไรก็ไม่เท่าสงสารรูปสงสารนามไม่ค่อยได้ช่วยเหลือพรมาเห็นรูปทุกข์นาทุกข์โอ้ยก็ตื่นรเล่นเหรอเวลามันหลงเคยตื่นรเล่นเปลี่ยนหลงเป็นรูปเวลามทุกข์โอ้ยเสนนกเปลี่ยนช่วยรูปช่วยนาม รูปโลกนามโลกโลกของรูปก็เจ็บเจ็บตาเจ็บคข้หรือผู้ไอเป็นโลกสารพัดอย่างโลกของนามคือความโลกความโกรธความหลงความรักความชังความพอใจไม่พอใจโลกของนามรักษาได้หายโลกจนมาพรธเจ้าอรูลขย่าปรมาราพาความไม่มีโลกเป็นลาประเสริฐ ัจ้าประกาศไปทางสี่แพกห้าแผงหมายถึงโลกวันนี้ดับได้เย็นได้แล้วโลกของนามแต่โลกของรูปนี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยหมออาศัยอยู่สัยยามันก็มิยาสาสัตว์พิษกระตอย ไม้เอาโจรพยาลากดำเอาลากนั่นตะขาบกัดแทงตองกัดงูกัดพยาลากดมรู้จักไหมฮะอย่ในวัดเรามีเยอะกดเอาลากมันล่างดีๆฝนจะ่น้มามาันหใหวมันเหนียวเหนียวขนวนเรามาแปะปิดปากบาดมันมันจะโดด ถอนพิษได้ให้รู้จักอะไรบ้างเวลามีดบาดถ้าไม่มีอะไรใส่สะดุดตอเลือดอกอกหกล้มจุกแน่นอ๋อเลยไม่ได้เอาน้ำปัสสาวะลาดลงไปถ้ามัอนอยู่แขนในนี่ปัสสาวะไม่ได้ก็ปัสสาวะใส่ใบตองแล้วมาลาดลงไปแย่แผลทยักข้ามเลือดได้ดีไม่เป็นแผลทยักนะ แต่ก่อนในพุทเจ้าใช้อันนี้เือว่าฉันยาดองหน้ามูดเน่าก็ปัสสวะไว้เอาพักสำหขอขมบ้องไปดองใส่กังอาทิตย์แดงกลิ่นน้าปัสสวะจะไม่มีเป็นกลิ่นยาไปเลยเป็นยาอุวจาะได้ถ้าอย่างนั้นก็มียาต้นสาบเสือเอามา ขยำขยำไปน้ำปัสสาวะนิดหน่อยแล้วก็มาห้ามเลือดห้ามแผละยักดะแจ้แผลทยะยักดาอันนี้เป็นโรคของลูกอ่อรู้จักช่วยตัวเองเราต่างคนจะลูกบ้างก็ไม่ลูกมาเรียนกับหลวงตาที่นี่เรื่องจาสมุนไพรโจรนี่กูกไว้กติกะดินทางที่ตะวันตกของหอไตนะ ว่า น, นาจารพัชฌาย์ชักปวดลูกดีมากแน่จะอดงดลูกย่อนจะไปผ่าตัดเอาหลงตาเอาว่านชักปวดลูกให้ไปต้มจินไปตรวจไม่ได้ผ่าเลยงดลูกขดเพราะนั่นอย่าให้มันเป็นมันมีแหนมันอย่าไปขุดเอาหัวมันมันมีสองชนิดชนิดที่เป็นหัวปุ้มปุ้ ม, มลงไปนะง เขารวยกว่นหดอะนะอันนั่นไม่ดีเท่ากับมีหัวอยู่แต่ว่ามีแหน่งออกมาเนี่ยแหนงน้อยๆเนี่ยเนี่ยดีไปหักเอาซะอย่าไปกดหักออกมาอันละสองข้อมือสามข้อมือข้อมวยเดียวมาล่างเดียวฝันกินกับข้าวทุกวันเป็นผักไปในตัว <c oughs> ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีกินได้ใครเป็นไส้เลื่อนไส้อะไรผู้หญิงเป็นมดลูกอะไรกินได้เลย ก็รู้จั ก, ากบางาไม่รู้ก็ถามเราสิเราจะบอกการชักบนโลกย า, าพิษต่างๆมีเดี๋ยนี่ยาที่นี่เราเอาไปจนหมดแล้วกัวตะเหลงิงโกคารอยารักษาโรคเอดตดกินอาหารก็จิ้นผักบ้างอย่าไปชอบผัดผัดทอดทอดเกินไปอาหารที่ทอดเนี่ยไม่อยากให้จิน ช่วรักษาโรคช่วยโรยเองบ้างน้ำมันที่ทอดแล้วทอดเอ็กเนี่ยอันตรายเป็นโรคมะเร็งได้อย่าไปพอดเกินไปล้องตาด่าลงทานอยู่กิ่นทอดเนี่ยโอ้ยคุ้งไปเลยไม่ค่อยดีนะฝักมะละขี่นกเนี่ยสดๆเนี่ยยินลงไปรักษามะเร็งได้รักษาโรคเอทได้มะละขี่นกเนี่ยตกง่าย ในวัดเราไม่ค่อยมีรังให้ปลูกอยู่ปีนี้ปีหน้าคงไม่อดเวันละขีนกเนี่ยกินลงไปแล้วก็จักนาลายที่ปลูกไว้าตามเงาของต้นฐานท็กท่อที่ปลูกเจ้าห ว, ว, าวังกรอนะ่ะเดินไปฉันอย่าเดินมือเปล่าเด็ดไปคนละยอดสองยอดเอาไปเกินสดสดหรือผ้าหวานหอก ปอกไว้กติหลงตาลรอบอยูน่นะเด็ดเอายอดสองยอดไปกินกินอาหารกินเป็นยาอาหารด้วยเป็นยาด้วยหรือผักติว้วถ้าเดินไปทางสายพานมาทางนี้ทางกูทิศตะวันตกของหลงทานจะมียอดติว้วเจ็บไปบ้างยอดมะยมเจ็บไปบ้างถ้าเดินไปทางนี้จะมีเมกเหรอือในผักเมฆ ที่ข้างขวมือใช่ไหมเด็ดยอดไปกินบ้างโอกผักไว้เดินไปหงอยฉันเนี่ยในของกินอ่ะของผักน่ะเจ็ดสิบกว่าชนิดในคูสาะเนี่ยเป็นของกินทังนั้นอย่ไปยอมอดเจ็บไปบ้างของเราเองไม่ต้องอาบาดของตานี่เป็ น, นเงิปลูกแองเจ็ดสิบกว่าชนิดผักกินเอาไว้กินต่อไปเนี่ยอีกไม่สี่ปีสี่ปียี่สิบปี เวลาเหนียงคงเนี่ยจะหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้ต้นําลวนจะต้องถือปลูกไว้ต้นพยอมที่หลวงพ่อปลูกไว้เกิดดอกหอมเป็นบังสวรรค์ยามหม้อใหญ่ต่อไปก็แถวนี้จะมีบุนนาที่คนบนนาเราจะท้อนรับคนเดินเข้ามากลาเป็นโลกคนนั้นสูงความังต่ำได้กิ่นบนนาหอมเข้าไป ควดันต่ำความ้ันสูงจะปรับตัวดีเป็นยาหมอใหญ่ <c oughs> จริงๆนะไม่ต้องไปกินยาเดินมานี่จะเป็นยาไปเลยยาหมอใหญ่กินบนหน้ามีอยู่ตอนรับของเร า, าใไงเดินเข้ามานี่ประตูสุนิเตอนี่มาหม้อยาหมอใหญ่ น, นี้ยากษาโรคของกายโรคของใจนี่ไม่มีใครช่วยเราก็ต้องสาวเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ เป็นความทุกเป็นความรู้เป็นความโกรธเป็นความรู้รักษาเอาอาเ น, นี่หมอเชื่อไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาจะนี่เอไว้ก่อนเอาโรคของใจ ข, ของน้ำในไว้ก่อนยึดไว้ก่อนแล้วตาเลยบอกเลยว่าไม่ปีไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไรมันเจ็บไข้เห็นมันเจ็บน ะ, ะมันปวดเห็นมันปวดมันล้นเห็นมันล้นมันหนาวเห็นมันหนาวให้ไปถมไยาบาลแล้วตอนป่วย สอบี บ, บกกอกว่าสะโกคป่วยไปเลยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเอาตัว น, นี้ไว้ก่อนว่ากรรมฐานยึดไว้ก่อนไม่ต้องเป็นอะไรก็อะไรไหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวมันอหาความสุขความทุกข์เพราะหายใจหาความสุขกับความทุกข์เพื่อไม่เย็บใม่เด้ป่วยไม่ต้องอาศัยจึงเหล่านั้นอาศัยในตัวเันเองใจอาศัยใจไปเองนี่เรียก ว, ว่าฝึกตนสอนตน มันเป็นของส่วนตัวของใครของมันมันช่วยกันไปได้จริงๆจริงให้มาทำกรรมฐานแบบนี้ําหนดสิบวันแบบนี้มันผิดอะไรไหมเนี่ยเาก็ก็ก็ดูแลกันนะหลังตานี่จะอยู่หลังๆให้อาจารย์หนุ่มๆทั้งหลายเตินก่อนไปหัวดำออกก่อนหัวดอดน้ำหลังแต่นี่น้ำมาได้แล้ว อราเยี่ยมนักปฏิบั ต, ออติอาจารย์เหมือนก็ไปอาจารย์น้นก็ไปอาจารย์น้อเจี๋ยก็อยู่แล้วพอใะใจยอยู่แล้วหลายรูปก็ออกกันอยู่แล้วอย่ามาเฉยหองตาเวลานี่ยหลงตากเก่งที่สุดคือนอนเมื่อะไรอายุมากเข้ามามันเป็นเด็กนะใช่ไหมเป็นเด็กอนะ่ะเด็กน้อยเนี่ชอบนอนใช่ไหมถ้านองได้เนื้อได้หนังแต่คุณแก่นอนเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอกินข้าวแทนที่มันจะ มีกำลังเหนื่อยไปเลยกินใหม่ๆยิ่งกินแล้วมันเหนื่อยมันพลังย่อยอาหารเนี่ยมันต้องใช้พลังมากแต่ก่อนจกิเข้าวเสร จ, จับตามขวดต้องต้องจอบด้ามเฉียมเลยอันนี้ไม่ได้ต้องพักผ่อนก็อย่ามาเอาอย่างหลงตาอ็ให้หัวดำออกก่อนหัวดอนตามหลังแปกัน <c oughs> ดอกก่อนถางทา ง, ทาง ก็น้ำกลางหาบเราผู้เฒ <laughs> ่าน้องกลนอาดูจำในว่าว้นหมดล้านนะฮะคนตอก่อนคนหนุ่มทางๆไปเออยไปกนตามกลางก็สเสียงไปอะไรที่ทิ้งมามันเป็นเหล้าเป็นของมัวเมาเอามาให้คนน้ำกลางหาบไม่ให้หาบไปทิ้งเหิวทิ้งหม่เฉยเป็นทีมสักหน่อย ้เขาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลแบกหน้าแบกหลังส่งหากันให้ได้เข้าโกเข้าประตูให้ได้ประตูคือมักผลใหพผ่านความปาดทางดีดามของสัตว์ทั้งหลายจงสำเร็จเถิดไอ้มีน้ำใจจะเห็นแก่ตัวดูคนนั่นดูคนนี้บ้างการสอนธรร ม, มะจะให้ผลเนี่ยต้องได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติพอสมควร นี่ก็ว่ามีผลเกิดขึ้นบ้างว่ามาพูดได้ฟังสองรูกสองลูกเขาก็เห็นว่านมนมด้น้อยแล้วก็ฟังได้แั้นเนี่ยต้อจริงมันไม่อยู่มันหลงมันก็รู้อยู่เนี่ยเห็นลูกเห็นนามอย่างนี้รูกมันมีอะไรนามมีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขาร ญ, ญาณมันเป็นลูกทำนามทำถ้าเป็นนามลูกนามลูกก็เกิดดับอาจตนะพอใจสร้างขึ้นใหมู่เวทนาสัญญาสังขารยึดบั้นนั่นเป็นนามลูกรูปดำกรรมามันก็ไม่เป็นไรมันมีอุปทานไปยึดเอาความุกความทุกข อ, ข อ, อนั่นนะแะเรียกว่านามรูปเกิดดับก็ดับ มันไม่มีเกิดอีกต่อไปได้ถ้าเราเหลือนู่มันจบเป็นจบเป็นบ้านสาธุลาการยกเลิกกันเลยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหันหลังให้กันไม่ต้องมาเจข้องกันแยกกันเลยแต่ก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนมือหนิ้วช่วยกันจับตัวกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายออกไปละเบิกกันเลยเป็นจักแต่ว่าไปเลย มันก็จบได้แต่นี้มันมีค่าในลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อุทางเข้าไปยืดถ้าเราไม่รู้มันมันเป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับแล้วเราร่วงมันก็จบทิ้นภพทิ้นชาติได้ในแต่ขั น, น, นรุ่นรุ่นต่อเอเสละภาพเป็นธรร ม, มาเทปไตยอย่างเนี้หลวงพ่อเทียนสอนพวกเรา เราก็เรียนตามเราได้ยินหลวงพ่อเทียนสอนเรามาปฏิบัติเราก็ได้ประโยชน์โอเราอยากสอนคนอื่นให้รู้อย่างนี้นั้นก็อยากสอนคนอื่นไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะเพื่อการบอกความจริงแก่ผู้คนในเรื่องนี้กันอันเดื่นให้คนอื่นทำไปเราไม่ชํนานาญบอกว่เป็นผู้บอกผู้สอนตรงนี้เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่เราอุตสาห์เป็นพันโรงโพาสถานที่ไปให้เนี่ยก็เพื่อการนี่โดยตรงวจอนตทรงสินสร้างรางเหงียนค้องเพื่อการนี้ทำเส้นทางไม่เดินร้อยแปดสิบเส้นร้อยแปดสิบทางรางเหงียนคล้องต่อปลูกต้นไม้ให้แต่ก่อนก็เป็นตรงญยกขาป่าพงแม่นบอกแม่เพี้ยน ตัวมังซนะ่างไฟไหม้เปล่ามยแนี่ไม่ได้รับไฟแล้วอยู่เถอะนอนหลับสบายน้ำก็ใสแล้วแต่ก่อนน้ำแดงแดงโนลนหญิงสาวเกาหลีมาอยู่ด้วยเขาอยู่ไม่ได้อาบน้ำแดงหัวเป็นขวยวะของตากลืนผมทิ้งเลยมันคันๆหัวแปไม่ได้เอาแปลงมาขุดวามอยู่ไม่ได้น้ำมันแดง กลับไปเกาหลีจดหมายถามมาน้ามันป่าสกุโตใสหรือยังถ้าน้าใสล้วจะกลับไปเองจค่จดหมายมาถามหรอตอบไปให้ด้วยยังไม่มีใครตอบเลถ้าตอบไปเขาจะมาอยู่กับเราถ้าเนี่ยจะช่วยกัน